32ลัคณาหะตะวัตถุว่าด้วยบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชาข้อ95สมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายพระศักกายบุตรทั้งหลายจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาสักหมายโทษบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้